อีกสูตรหนึ่งเนาะอักขิสูตรว่าด้วยไฟไฟไฟดูความพิสูจน์ทั้งหลายไฟสามกองนี้สามกองเป็นชไนะไฟคือราคาหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งดูความพิสูจนทั้งหลายไฟสามกองนี้แล้วไฟคือราคาย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในกามทั้งหลายส่วนไฟคือโทส่าย่อมเผานรชนผู้พยาบาทมีปกติค่าสัตว์ ส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ล่มหลงผู้ไม่ฉลาดในอริยธรรมไฟสามกองนี้ย่อมเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟไฟนี้โดยมากเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยนึกว่าเป็นไฟอะไรนะครับผู้ยินดียิ่งในกายตนนะครับยิ่งดียิ่งดียิ่งในสกายะเนี่ยนะครับทั้งในภพนี้และภพหน้าสัตว์เหล่านั้นย่อมเพิ่มภูนรกกเนิดสัตว์เดริชานอสุรกายและปิติวิสัย ผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมาร น, นะครับผู้ที่ถูกไฟเผาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับยินดียิ่งในสกายะเนี่ยนะก็เพิ่มภูนวัตต์นะครับช่วยสนับสนุนส่งเสริมอบายทั้งหลายนั่นแหละครับเพราะไม่พ้นจากเครื่องผูกมารส่วนสัตว์เราใดประกอบด้วยความเพียรในพระาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับคือมากไปด้วยสมมารประธานนะครับสมมารประธานที่เป็นไปในสิกขาทั้ง3าของพระ อ, องค์เนี่ยนะ สัตว์เหล่านั้นผู้มีความสําคัญอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดนะเจริญอสุภานะย่อมดับไฟคือราคะได้ส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตาและดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ถึงความชําแรกกิเลสสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่เกียดคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน ดับไฟมีไฟคือราคาเป็นต้นได้ย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือลื่องทุกได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่สู่ย่อมไม่มาสู่พบใหม่นะครับก็ไม่ต้องมาปฏิสนธิในพบใหม่อีกแล้วเนื่องจาก ดับไฟคือราคาโทสะโมหะด้วยอริยมรรคแล้วก็ปรินิพานก็สามารถทำที่สุดแห่งชาติชาราและมรณะได้นะครับนี่ก็ข้อความในอคิสูตรนะครับสูตรว่าด้วยไฟในอัตกถาอธิบายว่าเชื่อว่าไฟนี่หมายคำว่าลวกหรือหมายคำว่ามันลนอ่ะนะลวกลนวันงั้นเลยเคยเห็นไฟเคยถูกไฟลวกไหมครับน้าร้อนลวกอ่ะนะมันก็ร้อนแบบนั้นก็ได้นะครับ ไฟคือราคะเชื่อว่าราคะขีว่างานเถอะเพราะว่าราคะเกิดขึ้นจะลวกหลนคือไม่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าอาคินะครับมันลวกใจนะลวกความคิดนะครับมันเผามาทางหน้านะฉะนั้นคนที่มากไปด้วยราคะเป็นต้นหน้าเกลี้ยงไปหมดเลยนะครับนะคนต้องการอะไรมากๆเนี่ยนะอยากอะไรแล้วไม่ได้ด้วนะครับหม อ, อมันเผาร้อนรอน นะครับคนที่มากไปด้วยโทสะนี่ก็ร้อนนะครับดําไหมเกรยมหมดนะคนที่มากไปด้วยโมหะก็อันนี้ง่อยู่แล้วนะส่วนวินิจฉัยต่อไปว่าไฟติดขึ้นเพราะอาศัยเชื้ออันใดก็จะไหม้เชื้ออันนั้นนะลุกฮือเร่าร้อนมากทีเดียวฉันได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราตัดฟืนตัดไม้มาสมแล้วก็จุดไฟเผาขึ้นนะครับมันก็ไหม้เชื้อ อ, อันนั้น น, นะมันก็เร่าร้อนมากขึ้นมากขึ้น ราคะเป็นต้นแม้เหล่านั้นก็ฉะนั้นเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นเองในสันดานใดก็จะเผาลนสันดานนั้นให้กลัดกลุ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ดับได้ยากนะครับเมาบันเทายากนะครับจิตที่ถูกกิเลสอกุศลมากๆากร่มๆเนี่ยโอยมันบันเทายากนะครับนะตัดสายแห่งเสน่หาเป็นต้นเนี่ยแม่ดับยากเหลือเกินนะครับนะมันเผามันลุกโชนอยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมัน กลัดกลุ่มมันกลุ่มรุ ม, รมกินไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับนะครับบางคนเนี่ยราคะมากก็เลยกินมากนอนมากไปอีกกันดีนะครับถ้าราคากลุ่มรุมแล้วก็กินมากนอนมากนะครับเพอเจอร์มากเป็นต้นเนี่ยนะดับยากนะครับบรรดาสัตว์ที่ถูกราคาเป็นต้นเผาลนนั้นเหล่าสัตว์ที่ถูกความกลัดกลุ่นเผาลน ท, ทยัยประสบความตายเพราะความทุกข์ คือไม่ได้สิ่งที่ต้องการไม่สมหวังหาประมาณไม่ได้นี่เป็นการเผาลนของไฟคือราคะก่อนถ้าพูดถึงยุคสมัยแบบโบราณหน่อยนะครับสมัยที่พระภิกษุมีจํานวนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนเนี่ยนะครับโอ้บางองค์ไปบินทบาทเนี่ยกลับมานี่ก็ฉันข้าวไม่ลงเลยนะครับไปเห็นคนสายบาทก็ไม่ได้นึกถึงข้าวในบาทแล้วนะครับนึกถึงแต่คนสายบาทอย่างเดียวเนี่ยนะไฟคือกิเลสมันก็มาเผานะครับ อย่างพิสู่รูปหนึ่งที่ไปเห็นนางเซมาโอ้ยขนาดเธอป่วยนะยังงามขนาดนี้ทำให้ป่วยจะ ง, งามขนาดไหนนะนะครับอาหารที่ได้มานี่กินไม่ลงไปให้บูดในบาดนะครับสนิมบาดก็จับเกลอะกลางไปหมดนะครับกินไม่ค่อยได้เลยนะะฉผู้ที่ถูกไปคือราค่าเป็นต้นเผานี่ก็อย่างนั้นแล้วก็มีอีกหลายรูปนะครับในชาดกในอิทิวักเป็นต้นเนี่ยนะกล่าวถึงพระพิสูจน์ที่ไปบินทบาทแล้วก็เจอสาวเจ้าที่มาใส่บาดเข้านะครับ อินรีย์ไม่สังวรนะครับตาไปสบเจอเข้านะครับกลับมานอนนะครับบางผมยังนึกจำำําสัมมณีรูปหนึ่งเลยนะครับเขาก็ <c oughs> เห็นโยมคนหนึ่งเขาว่าโอสงสัยมันบุพเพสันนิวาสแน่นอนเลยนะครับว่าเขามาคิดเขาเองนะโยมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกครับโยมเขาก็มาอยู่ฟังทำปฏิบัติทำอะไรไปถึงเวลาเขาก็กลับไปอนะแต่ว่าสัมมณีนี้ก็กําลังจะยี่สิบนะครับ ใครก็โหยนะครับเนาะนั่งคิดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสคิดสารพัดสารพันขึ้นมาเลยนะครับมันอยู่ใกล้ใกล้กดผมด้วยโอ้ผมรำคาญว่าะอะไรจะปานนั้าด้วยเน้นนะครับมันโหมขนาดนั้นงไะมันร้อนรอนนะครับฟังแล้วะบางคนนี่มันค้ายค่างันนอนหายใจเฮือกเฮือกเลยนะครับอย่างนั้นนะมันเผานะครับมันเผาย ครับทอดถอนใจเลยนะครับพี่ปิจาตอนนั้นช่วยช่วยดับให้สำมานเณรหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าฟังแล้วมันเฮืกเฮื่อนเขาบอกว่าโยมคนนั้นเนี่ยนะครับมาฟังธรรมเนี่ยนะเชื่อไหมครับงานนั้นเนี่ยพระเนนขึ้นฟังธรรมกันไม่ค่อยขาดตกบกท่องเลยนะครับพระเนนทุกแต่หลายองค์เนี่ยนะครับชอบฟังธรรมมากนะครับวันนั้นช่วงที่โยมคนนี้มาฟังเทศอยีด้วยเนี่ยนะครับพระเณรเนี่ยชอบมาฟังธรรมกันเยอะนะครับ อได้เครื่องล่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันเผามแม้กระทั่งทิศสุสั ม, มเนินเป็นต้นเลยนะครับเดือดร้อนกันหน้าดูเลยนะครับแต่ก็ยังว่านะอพอชักฟืนออกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับห่างๆกันหน่อยก็หมดแล้วมีอะไรหรอกพรดีตรงที่พอ่อครับปรดีตรงที่ผมจะถามพอดีคือไอ้ไฟเนี่ยได้แก่ราคะหรือโทสะโมหะนีะแต่ส่วนเชื้อมันหรือฟืนมันเนี่ยที่จะทําให้ไฟลุกเนี่ยนี่ มันน่าจะหมายถึงอะไรอะไรนี้ก็การอยู่ใกล้ชิดกันนี่แหละครับการเห็นการพูดการคุยนี่แหละเสริมเชื้อนะครับก็คือสุภาพนิมิตน่ะนะคำว่าสุภาพนิมิตก็แบบเห็นเห็นกันก็คือนี่แหละครับเจอหน้ากันบ่อยๆพูดกันเรื่อยๆนะครับมีของฝากฝากถึงกันบ้างนะครับนี่แหละเรียกว่าการสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างแท้จริงนะครับไม่นานนะครับสะพานเสริมใยเหล็กก็จะเกิดขึ้นนะครับ เป็นสะพานเหล็กใครก็ตัดยากนะครับทีนี้พอสร้างสะพานอันนี้เสร็จนะครับข้ามพระธรรมวินัยหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่ า, าถ้าหากว่าไฟคือโทสะนะครับถ้าไฟคือโทสะก็ได้แก่พวกเหล่าเทพพระเจ้าชื่อว่ามโนปโทสิกาจุติเพราะทําร้ายทางใจนะครับในพะการเผาล้นของโทสะบอกว่ามีนะเทวดาชั้นจาตุมนะครับ มีกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มมโนปโทศิกะเนี่ยนะเขาก็จะลงไปเที่ยวสวนเขาก็พาบริวารแวดล้อมไปเยอะนะครับระศมีไปด้วยบุญของตนเนี่ยนะไอเทวดาพวกอื่นก็มาเห็นเข้านะครับก็เลกันด้วยโทสะเนี่ยนะไอโทนทางโน้นมองเห็นมาทางนี้มองเห็นไปนะครับต่างฝ่ายต่างโทสะซึ่งกันและกันเนี่ยนะต่างฝ่ายต่างโกรธเขาบอกว่าถ้าโกรธฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็รักษาได้แต่ถ้าโกรธทั้งคู่นะครับ นางฟ้านี่ร้องให้ระงมเลยจะจุติแลครับบนั้นก็จุติทันทีเลยทีนี้ถ้าโทสะจุติแล้วที่ไหนดีครับนรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทวดาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ตกนรกนะครับเพราะว่าเห็นกันก็เหมือนกับสมัยนี้แหละครับแค่เอี่ยหักหลบรถแค่นั้นนะครับแค่ไปก่อนไปหลังแค่นั้นนะครับแทบจะออกมายิงกันตายเลยนะครับก็มีโยมคนหนึ่งนะครับเขา ขับรถเนี่ยนะขับรถปิกอัพเนี่ยแล้วก็สิบลอ้อกับสิบลอ้อคันหนึ่งนะครับอาจจะของรถปิกอัพเนี่ยมันก็ไปด่าคนขับสิบลอ้อสิบล้อมก็สวนขึ้นมาแล้วก็ชักปืนยิงไปนะครับก็ตายคารถนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ขนาดนั้นนะถ้าไฟคือโทรสะมันเผากันเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าพวกไฟคือโมหะแล้วครับก็พวกเทพพระเจ้าเทวดาประเภทขิดดาปโทสิกานะครับจุติเพราะการเล่น เพลิดเพลินกับการเล่นนะครับเล่นไปเล่นมาลืมกินนะครับตรงนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นการเผาลนของโมหะเพราะว่าความเผลอสติของเทพเจ้าเหล่านั้นมีได้ด้วยอํานาจของโมหะเพราะฉะนั้นเทพเจ้าเหล่านั้นเมื่อปล่อยเวลารับประทานอาหารให้ล่วงเลยไปด้วยอํานาจการเล่นจนทํากาละนะเพราะฉะนั้นนี่คือไฟเผาลนแห่งราคาเป็นต้นเป็นต้นที่มีผลทันตาเห็นก่อน แต่ที่มีผลในสัมป라이ยยกับพบเนี่ยนะครับที่ร้ายแรงกว่าและยักยังได้ยากมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งการเกิดขึ้นในนรกนะครับนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นหมดเห็นปลวกเห็นมแมลงเนี่ยนะครับเห็นเดินด้วยเออนี่นะไอตัวนี้พวกนี้นะอดีตชาติมันถูกไฟคือราคาโทสะโมหะเผ า, าลล น, นะครับ เนี่ยได้ยินเสียงนกมันร้องเนี่ยโ อ, อ้อดีตชาตินีนไฟคือราคะโทสะโมหานี่มันเผาลนทีนี้ก็ทําให้กอ่อกรรมทําชั่วทางกายทางวาจานี่นะครับก็เลยได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาร้องร ง, งมถ้าเราปล่อยให้ราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแบบนี้ก็ทอกันนะครับเดี๋ยวก็มาร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วบางบ่บางทีก็ให้แจ่มชัดด้วยทิฏฐิปริยสูตรนะครับก็เหมือนกับว่าคนที่มองเห็นแล้ว ราคามันกำเริบเสบสาเนี่ยนะควักดวงตาออกยังจะดีกว่าว่า ง, งั้นเถอะเพราะถ้าจุติตรงนั้นนี่ยอบายทุกคติวินิบาศนระกอย่างแน่นอนนะหูฟังเสียงแล้วเพลิดเพลินใจกับเสียงนะครับเสียงที่ไม่ได้ก่อให้เกิดกุศลเนี่ยนะเสียงที่ก่อให้เกิดอกุศลเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าหาอะไรมาคว้านหูยังจะดีกว่าถ้าหากว่าดมกลิ่นแล้วก็กิเลสมันเกิดเนี่ยนะครับหาอะไรมาคว้านจมูกออกยังจะดีกว่านะครับถ้าลิ้นนะก็เอามีด เชือดโคเนี่ยนะครับตัดออกยังกะดีกว่าวางกันเถอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าจุติขณะที่กำลังถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะเนี่ยนะครับวันอับายก็หวังได้นะครับแต่ว่าอริยาสาวกเขาก็มีการพิจารณาเจริญวิปัสสนาได้นะครับถ้าเป็น น, นะนะแล้วผมก็ตัดเป็นคาถาที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าไฟคือราคะเผาสัตว์ผู้กาหนัดแล้วหมกมุ่นในกามทั้งหลาย นะผู้ที่หมกมุ่นในกามเนี่ยนะครับไฟคือราคะเนี่ยแผดเผาอยู่ตลอดส่วนพวกที่ไฟคือโทสะเผารนนะครับเผาเนรชนผู้พยาบาทมีปกติฆ่าสัตว์นะครับหรือว่าไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ล่มหลงไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในอริยธรรมคือได้แก่อริยศีนอริยสมาธิและอริยปัญญาเมื่อไม่ฉลาดอยางีงก็โมหะก็แผดเผานะครับ อธิบายว่าบทว่ากาเมสุมุชิเตความว่าถึงการสยบคือความโง่ได้แก่ความประมาทหมายความว่ามิจฉาจาร์ด้วยอำนาด้วยอำนาจภาวะที่ต้องดื่มดําในวัตถุ ก, กามทั้งหลายนะครับถ้าหากว่าดื่มดําหมกมุ่นในกามนี่นะครับก็กาเมสุมิจฉาจาร์ก็ระบาดมหาศาลนะครับบทว่าพยาปเนความว่าจิตถึงความพินาศเชื่อมเพราะว่าเผาอยู่นะครับ นั้นคำว่านเรปานาติปาติโนนี้เป็นชื่อของไฟคือโทสะนะครับเพราะว่าโทสะถ้ากําเริบเสบสารถึงที่สุดก็จะฆ่าเพรา ะ, ะนั้นเขบอกว่าไฟคือโทสะเนี่ยนะครับถ้ามันแรกเริ่มเริ่มเผาเนี่ยนะครับมันจะเผาสัมปยุตตธรรมก่อนเผาสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันกับตัวทีนี้มันก็ถ้ามันแรงขึ้นระบาดขึ้นนะครับมันก็จะออกมาทางสีหน้าท่าทาง นะครับถ้าหากว่ามันกำเริบร้อนรนมากกว่านั้นเคยท่านหน้าเนี่ยดําหมดเลยนะครับถ้าโทสะมันกำเริบมันนะถ้าหากบางคนเนี่ยโทสะมันแรงกว่านั้นเนี่ยค <iras S 1> างเนี่ยสั่นเลยบางคนเนีแรงกว่านั้นเนี่ยดาเลยนะครับบางคนที่แรงกว่านั้นเนี่ยครับก็เหลียวซ้ายแลขวาหาท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นนะครับจะซัดสักทีมัง่งหรือครับบางคนเนี่ยถ้าแรงกว่านั้นก็ได้จับจริงๆเงื้อนะครับเหยียดจะเล่นงานเลยบางคนแรงกว่านั้นอ่ะหวดเข้าไปตุ๊บเข้าไป บางคนแรงกว่านั้นก็ตัดมือตัดเท้าเลยนะบางคนก็ตัดหัวตัดนะครับฆ่าทิ้งเลยบางคนท่านหนักๆกว่านั้นก็ฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายตามอันนี้ก็สุดยอดของโทสะนะครับนกัก็อาบายหวังได้นะครับบทว่าอริยธรรมเมอโกวิโทเนี่ยนะครับคือไม่ฉลาดในอริยธรรมนี่หมายความว่าชนเหล่าใดเว้นการทาไว้ในใจคือไม่มีโยนิโสเนี่ยนะครับซึ่งการเรียนและการซักถาม ในธรรมะทั้งหลายที่มีขันและอายตนะเป็นต้นทั่วทุกอย่างชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฉลาดในอริยธรรมชนเหล่านั้นถูกความงมงายครอบงำพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นผู้งมงายโดยพิเศษคืองมงายไม่รู้อะไรเป็นขันเป็นถาดเป็นอายตนะขันมีอย่างไรเป็นอะไรลักษณะอย่างไรเป็นต้นไม่รู้ซักอย่างนะครับ ถ้าไม่รู้จกขันจะรู้อริยสัจได้อย่างไรเพราะว่าขันทั้งหลายเป็นทุกขสัจกับสมุทยัยสัจนะครับแม้กระทั่งศีลสมาธิปัญญาก็เรียก ว, ว่าขันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่ขาดการเรียนขาดการซักขาดการถามขาดการฟังาการทรงจําเป็นต้นก็ชื่อว่าผู้ที่ไม่ฉลาดในอริยธรรมนะครับนี้พงค์ก็ตัดเป็นคาถาอีกว่า ไฟสามกองนี้ย่อมเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นไฟผู้ยินดียิ่งในสกายะทั้งในพบนี้และพบหน้าสัตว์เหล่านั้นย่อมเพิ่มภูนรกกำเนิดสัตว์เบรชานอสุรกายและปิติวิสัยผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมาร น, นะครับเพราะฉะนั้นบทว่าเอเตอคีอาชานันตาความว่าไม่รู้อยู่ว่าไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะ เผาล้นอยู่ทั้งในภพนี้และในสัมปรายภพคือไม่แทงตลอดด้วยอำนาจการบรรลุด้วยอานาจปริญญากิจ ด, ด้วยอำนาจแห่งการบรรลุด้วยปหาญกิจคือไม่ทำกิจกำหนดรู้ในทุกขาริยสัตว์อะไรเลยไม่ทำกิจละสมุทัยสัตว์เลยนะครับบอว่าส ก, กายาพิรตาความว่าเพลิดเพลินยินดียิ่งนัก ในกายของตนนะครับกายของตนหรือว่าในสกายะนี่หมายถึงอุปาทานขันทั้งหด้วยอํานาจตันหาและทิฏฐินะครับเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีความเห็นผิดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะครับพวกที่มีความเพลิดเพลินและมีความรู้ความเห็นที่ผิดพลาดในขันห้าเรียกว่าสกายาพิรตานะครับผู้ยินดีเพลิดเพลินในสกายะนะครับบทว่าวัทยันติความว่าเพิ่มพูนคือสะสมไว้ โดยการให้เกิดบ่อยๆบทว่านิรยังได้แก่นรกทุกขุมทุกขุมคือมหานรกเนี่ยนะครับแขุมแล้วก็อุสทานรกอีก16ขุมนะครับเพราะฉะนั้นนรกใหญ่ๆเนี่ยมี8ดขุมก็คูณอุสทานรกแต่ละ10แต่ละ16ขุม16ขุมเข้าไปนะครับนรกยังมากมายนะครับบทว่าติระชา น, านจายโยนิยังได้แก่กัมเนิสดสัตกติระชานบทว่าอสุรกาย เชื่อมความว่าเพิ่มปิติวิสัยเข้าไปด้วยนะครับก็คือถ้าหาว่ามากไปด้วยอํานาจของไฟคือราคะโทสะโมหะนะครับไม่ทําปริญญาเลยในในสกายะเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ตามเพิ่มพูนอบายทั้งหลายนั่นเองนะครับก็ที่จริงเขาก็เตือนตลอดนะได้ยินเสียงไหมครับเมื่อโอเนี่ยก็ได้ยินเสียงทั้งสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับตอนนี้ก็นกใช่ไหมกลางคืนในเสียงอะไรชัดที่สุดครับ ครับเสียงจิงรีดเนี่ยนะอาจารย์นอนอยู่ข้างนอกเลยน่าจะได้ยินบ่อยนะครับสัญญาณเตือนทั้งนั้นแหละครับสัญญาณเตือนภัยนะครับไม่ได้มาด้วยผลของบุญนะมั้นก็ร้องระงมกันอยู่นั่นแหละครับทีนี้ถ้าคาถาที่เป็นวิวัตตะแหะครับว่าส่วนสัตว์เหล่าใดประกอบความเพียรในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน สัตว์เหล่านั้นผู้มีความสําคัญอารมณ์ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดย่อมดับไฟคือราคาได้นะครับถ้าจะดับไฟคือราคาต้องเจริญอสุภะส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตานะครับถ้าจะดับไฟคือโทสะนี่ต้องมันเจริญเมตตาเจริญพรมมหมฐานนะนะดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้ถึงความชําแรกกิเลสนะครับนั้นต้องเจริญอริยปัญญา สัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนไม่เกียดคร้านทั้งกลางคืนทั้งกลางวันดับไฟมีไฟคือราค่าเป็นต้นได้ย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือเรื่องทุกได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้เห็นอริยสัตว์ผู้ถึงที่สุดเวทรูร้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พใหม่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความภาคเพียรด้วยสัมมปทาน มันดับไฟคือราคะด้วยอสุภาพดับไฟคือโทสะด้วยเมตตาดับไฟคือโมหะด้วยปัญญานะครับภาพเพียรอย่างนี้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันไม่นานนะักก็จักปรินิพานนะครับเพราะพรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการนะครับพันธอธิบายว่า บัดนี้เพื่อจะแสดงวิวัตตะด้วยการดับไฟคือราคะาเป็นต้นเหล่านั้นจึงตรัสคาเมียที่ว่าเยจะรตินทิวาดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายุตตาความว่าประกอบแล้วด้วยามสามารถแห่งการประกอบเนืองๆซึ่งภาวนาถามว่าภาวนาสองอย่างในภาวนาทั้งสองนั้นนะครับในาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความที่ไฟราคะเป็นต้นดับได้ไม่ใช่าศาสนาอื่น นะครับการจะดับราคะโทสะโมหะไม่ได้ไม่ได้ไปดับที่อื่นนะครับดับได้ในศาสนานี้เท่านั้นอันนึงเมื่อจะแสดงวิธีดับไฟคือราคะเป็นต้นเหล่านั้นนะครับและอสุภะกรรมฐานที่ไม่ทั่วไปในศาสนาอื่นนะครับเอออสุภะกรรมฐานนี่นะครับไม่ทั่วไปกับศาสนาอื่นจริงๆนะครับแม้แต่หนังสือทางการแพทย์นะครับที่ฝรั่งขีดเขียนมาเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับโอ้เป็นภาพเหมือนกับอสุภะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะที่จริงแล้วเขาไม่ได้ เพื่อเจริญสุภาพนะครับพวกที่ทำหนังสือนี้บางท่านเล่าให้ฟังว่าเขาชื่นชมในความงดงามของมนุษย์มากกว่านะครับเหมือนเขาเค่อยๆลอกมาแล้วเขามีความสามารถในการลอกร่างกายเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเขาไม่ได้พิจารณาว่ามันอสุภาพอะไรนะครับมองถึงความวิจิตพิสดารมองความน่ารักหน้าหน้าดูหน้าชมนะครับพวกนี้คลั่งใครซะส่วนใหญ่นะครับ ชื่นชอบในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่จะเจริญว่าอสุภานะหน้ารังเกียจปฏิกูลนะครับแจนถึงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าโรคว่าฟีนี่นะครับมีในคําสอนจริงๆนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเราก็ไปถามดูว่าแพยในแพทย์ทั้งหลายแพทย์ทั้งหลายที่เจริญอสุภกรรมฐานนี่นะครับก็บอกว่าหายากจริงๆหายากมากนะครับหมอหมอคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าก็บอกว่าไปเที่ยวถามดูแล้วไม่มี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนใดเจริญกายยัคตาสติหรือเจริญอสุภะเลยโดยมาเจริญเมตตาครับหรือเจริญอนาปานาสติธรรมดาทั่วๆไปแต่ที่จะมาเจริญอสุภะเกสาโลมาหายากเต็มทีนะครับเพราะฉะนั้นไวิธีดับไฟคือราคาเนี่ยนะครับมีในคําสอนเท่านั้นเองจริงๆถึงเขาจะเรียนเรื่องร่างกายศรีระเป็นต้นก็ไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นว่าเออมันอสุภะมันเป็นกุลอะไรรอกนะครับ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านเหล่านั้นมีความสำคัญว่าไม่งามอยู่เนืองนิดย่อมดับไฟคือราคะได้แต่ผู้สูงสุดกว่านรชนดับไฟคือโทสะด้วยเมตตาส่วนไฟคือโมหะดับได้ด้วยปัญญาที่เป็นเหตุให้เจาะทะลุไปเป็นปกตินะครับคือปัญญาเป็นเครื่องชำรกกิเลสเนี่ยนะครับ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสุภสษณ์ยินโความว่าผู้เชื่อว่ามีอสุภาษสัญญาเป็นปกติคือมีความสัมพันธ์หมายว่าไม่งามเพราะประกอบด้วยความเพียรเ น, อเนืองในอสุภาษสัญญาด้วยอาการ32นะครับคือเจริญเกสาโลมานะคาธันทาตะโจมังสังนาหารูอัธีอธัอธีมินชังวกักกลางคตยังยะกนังปิหากกลางปปพ า, าสังอันตังเป็นต้นนี่นะครับก็เจริญพวกอสุภาษกรรมฐานเหล่านี้อย่างมหาศาล หรือว่าจะพิจารณาสร้างศพที่เป็นสร้างศพขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยนะครับแล้วก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้แล้วว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีความ เ, เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยนะบทว่าเมตายะความว่าด้วยเมตตาภาวนาที่ตรัสไว้ว่าเธอมีจิตสหรต ด, ด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งทิศหนึ่งอยู่ และในพระคาถานี้ผู้ศึกษาพึงทราบการดับไฟราคะและโทสะด้วยอนาคามิมักที่เกิดขึ้นโดยทำฌานที่เป็นอสุภะเป็นอารมณ์นะครับแล้วก็ฌานมีเมตตาเป็นอารมณ์ให้เป็นบาทหมายความว่าถ้าจะดับไฟคือราคะก็จะเจริญอสุภะเป็นเป็นฐานก่อนแล้วก็ทําปริญญาสามบรรลุอนาคามิมักหรือไมก็ถ้ามากไปด้วยโทสะก็จะเจริญเมตตาให้เป็นบาทแล้วก็จเจริญหรือว่าทําปริญญาสาเพื่อบรรลุ อนณาคามีมักเหมือนกันเพราะไฟคือราคาที่เพลิดเพลินในกามไฟคือโทสะที่จะเครียดหงุดหงิดเป็นต้นก็จะดับได้จริงๆก็ที่อนาคามีมักนะครับบทว่าปัญญายะความว่าด้วยมัคคปัญญาที่ประกอบด้วยวิปัสนาปัญญาด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ายายังนิเพทคามินีเพราะว่าปัญญานั้นเจาะทะลุทะลวงกิเลส และขันไปคือเป็นไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่านิเพทคามินีเจาะทะลุไปนะครับเจาะทะลุกิเลสก่อนนะครับทะลวงกิเลสแล้วก็ทะลวงวั ต, ตะไม่ให้นําปฏิสนธิในภพที่แปดเป็นต้นนะถ้าเป็นพระโสดาบันนะครับถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องย้อนกลับมาปฏิสนธิในภพนี้เอกเพราะฉะนั้นทะลวงขันไม่หมดนะครับ <S <S บทว่าอะเสสังปริณิ พ, พันติความว่าท่านเหล่านั้นให้ไฟคือราค่าเป็นต้น ดับไปไม่มีเหลือด้วยอรหัตมรักแล้วดำรงอยู่ด้วยสัพปาทิเศสนิพานธาตุเนี่ยนะที่บอกว่าสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเครื่องรักษาตนนะครับไม่เกียดครานทั้งกลางวันกลางคืนนะครับดับไฟคือราคาเป็นต้นได้ย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสั์ผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่ง ซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่เนี่ยอธิบายว่าเชื่อว่าผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตนเนี่ยนะครับเพราะถึงความไพ่บูนแห่งปัญญานะหมายถึงพระเรียเจา้าเนี่ยนะครับท่านมีความไพบูนแห่งปัญญามากเชื่อว่าผู้ไม่ซึมเซาตลอดทั้งคืนและกลางวันนะครับไม่ซึมเซาก็คือไม่เสื่องซึมไม่ซึมเซ้อทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีนะครับ เพราะเป็นผู้ละความเกียจคร้านได้โดยเด็ดขาดมาก่อนแล้วด้วยสั ม, มปทานและเพราะเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรด้วยการเข้าพระสมาบัตินะครับนี่ท่านเลยไม่เสือเส่องไม่ซึมไม่เซ้ อ, ไ ม, อไม่งุดนะครับไม่ง้อยเป็นต้นเนี่ยเฮือกๆหายใจหนักๆแบบนั้นไม่มีเด็ดขาดนะครับมีแต่ความภา ส, สุขตลอดวันและคืนนะครับเชื่อว่าดับสนิทไม่มีเหลือด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเพราะจิตดวงสุดท้ายดับแล้วต่อจากนั้นก็จะข้า คือก้าวล่วงวัตทุกข์ไปได้ไม่มีเหลือคือไม่มีเหลือไว้เลยไม่มีเหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารเอาไว้ให้มีเชื้อไว้สักนิดเลยนะครับขอการครับให้พระรยเจ้าท่านไม่ไม่ซึมไม่ง่วงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ซึมนะครับแต่ถ้าหลับก็หลับอยู่แต่ถ้าไม่ซึมถ้าเป็นพระทหารนะครับไม่มีทีนะเด็ดขาดทีน่ะมีทาไม่มีมีมออาหารีหย ท่านก็เดินจองกรมเป็นต้นนะครับท่านกับพิจารณาธรรมก็ตื่นตัวแล้วนะครับอันไม่เมาอาหารไม่อะไรแน่นอนนะครับโพชเนมตัญยุตาท่านดีอยู่แล้วนะครับท่านรู้ว่าแค่ไหนควรจะแค่ไหนไม่ควรนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความดับสนิทด้วยนุปปาทิเสสนิพานธาตุแก่ภิกษุผู้ดับไฟคือราคาเป็นต้นได้อย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงชมเชยภิกษุเหล่านั้นด้วยคุณธรรมทั้งหลายที่เธอได้แทงตลอดกันแล้วจึงได้ตรัสพระคถาสุดท้ายว่า ว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริยสัจผู้ถึงที่สุดเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่อันนี้เน้นที่การแทงตลอดอริยสัจนะครับอันผู้ที่แทงตลอดอริยสัจ ร, ระดับอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ไม่ย้อนกลับมาสู่พบนี้อีกแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอริยทัศความว่าท่านเหล่าใดเห็นซึ่งธรรมะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายคือบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น จะพึงเห็นหรือเห็นพระนิพพานนะครับก็คือเห็นโพธิปัจจียธรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นพระนิพพานเนี่ยนะชื่อว่าอริยะเพราะไปจากกิเลสทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเห็นอยู่ซึ่งอริยสัจ ท, ทั้งสีที่ประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าอริยทัสสะผู้เห็นสัจจะอันประเสริฐท่านเหล่าใดถึงที่สุดแห่งพระเวทคือมรรคยานหรือถึงที่สุดแห่งสงสาระด้วยพระเวทคือมรรคยาน นั้นฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าเวทคุณูพูดถึงที่สุดแห่งเวทนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอริยมรรคยานของท่านเนี่ยนะครับสา ม, มารถทําที่สุดแห่งสังสาระสังสาระก็คืออะไรครับขันทำที่สุดแห่งขันสา ม, มารถทําที่สุดแห่งอายตนะทำที่สุดแห่งธาตุทำที่สุดแห่งอินทรีย์สา ม, มารถทําที่สุดแห่งปฏิจจสมุป บ, บาทแทงตลอดอริยสัตว์โดยไม่มีส่วนเหลือนะครับ บทว่าสัมมัทธัญญายะความว่ารู้กุศลละธรรมเป็นต้นนะครับก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับมีปัญญาเป็นเครื่องรู้รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นอัพยากตะอะไรเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาอะไรสัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาอะไรสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอะไรสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนานะครับท่านก็รอบรู้ใคร่ครวญนะครับอะไรเป็นอุปาทานอะไรเป็นเหตุแห่งอุปาทานนะครับ แล้วว่าท่านก็รู้ขันเป็นต้นนะครับที่จะต้องรู้ทุกอย่างนะขันเป็นต้นเนี่ยนะครับจะต้องรู้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวธนาคารสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ข้อความในอคิสูตรอัตถกถาก็จบนะครับ